สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทเสียพิบาต น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยยี่สิบเจ็ดเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เก้าสิบหกพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเรามาถึงประโยคสุดท้ายของคำอธิษฐานของพระเยซูก็คือเกี่ยวข้องกับการถวายพระพรครับเกี่ยวข้องกับการถวายพระพรครับเพราะว่า คำอธิษฐานของพระเยซูจบลงด้วยคําถวายพระพรเหตุว่าราชสำนาริดเดทและพระสิริเป็นของพระองค์น้องครับเหตุว่าราชสำนาจริดเดทและพระสิริเป็นของพรงะองค์เรากําลังอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสามประการน้องครับสามประการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ อย่างไรก็ตามครับคําอธิษฐานนี้จบลงเราอาจจะไม่ต้องวิเคราะห์ข้อความเหล่านี้บางคนอาจจะอธิษฐานเพียงแต่พูดแต่บางคนก็อาจจะคิดมากขึ้นและมีท่าทีที่ยกย่องสารสนพระเจ้าพี่น้องครับมีหลักฐานบางประการที่แสดงว่าพระเยซูไม่ได้อธิษฐานตอนทายนี้ และนี่จึงเป็นเหตุให้พระกัมภี์บางสำนวนนั้นไม่ได้บันทึกข้อความตอนท้ายเงี่ยไว้ครับต้นฉบับบางฉบับมีตอนท้ายแต่บางฉบับก็ไม่มีนี่คือปัญหาหรือคําถามของคนบางคนที่ว่าพระเยซูอธิษฐานคําอธิษฐานสุดท้ายนี้จริงหรือเปล่าที่น้องครับยังไงก็าตามครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าข้อความตอนสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องดีแล้วนะครับ เหมาะสมถูกต้องดีแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับชาวยูเนี่ยจะไม่จบหุน่หนหวนะครับจะไม่จบหุนห้วนคือถ้าว่าจบหุนห้วนก็คือขอให้พ้นจากสึ่งชั่วร้ายหรือขอให้พ้นจากมารร้ายนะครับแต่แม้ว่าจะไม่มีการบันทึกในต้นฉบับโบราณบางฉบับก็ตามเราถือว่าพระเยซูนั้นส่งลงท้ายคําอุทธรณ์ด้วยข้อความนี้ครับเพราะเหตุที่มีพระคัมภีร์รองรับอยู่ ในพระคัมภีร์เดิมหนึ่งพงศวดานบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดหนึ่งพงศวดานบทที่ยี่ิบเก้าข้อสิบเอ็ดได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพพระสิริชัยชนะและความโอ้อาตาการเป็นของพระองค์และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตในฟ้าสวรรค์ในแผน่นดินโลกเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าราชาันจักรเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัดพี่น้องครับจากพระธรรมหนึ่งพงศวดานนี้เองนะครับ ในบทที่29ข้อ11ทำให้เราเห็นว่าคำอธิษฐานท้ายสุดนะครับซึ่งเป็นคำถวายพระพรถวายพระพรนะครับสมเหตุสมผลมากที่พระเยซูน่าจะอธิษฐานเช่นนี้ครับที่น้องกับมีนักวิชาการบางคนนะครับก็ไม่ยอมรับในเชนนิงนี้แต่ทั่วโลกครับเนี่ย ทุกยุคทสมัยก็จะมีผู้ที่บอกว่าสมควรแล้วที่เราจะจบลงด้วยคําถวายพระพรก็สมควรที่องค์พระเยซูคริสต์ที่สอนเราแห่งทิฐานนั้นจะจบด้วยการถวายสรรเสริญถวายพระพรและบอกบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับรัศมีภาพของพระเจ้าราชั้นาจของพระเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าพี่น้องครับด้วยบทเพลงสรรเสริญอันนี้เอง เรามุ่งกลับไปยังจุดที่เราได้เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยคําอธิษฐานพี่น้องครับพระบิดาของเราบนสวรรค์เป็นผู้ที่รักเราทรงสงแสนดีทรงเลิศประเสริฐนั่นคือจุดเริ่มต้นของคําอธิษฐานในขณะเดียวกันครับพระบิดาองค์เดียวกันนี่แหละครับผู้ทรงรักเราทรงทรงกรอบด้วยพระศิริกอบด้วยรายชมนาและฤทธิเ์เดช ใช่ไครับเราได้เรียนรู้อะไรจากคำปฏิฐานการบัติอย่างพระเยซูนี้สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทั้งชีวิตทุกอย่างมีอยู่ในคำปฏิฐานนี้เรียบร้อยแล้วจึงใช้เวลานานมากนะครับถึงเก้าสิบหกครั้งด้วยกันใี่ไองครับอีกสามครั้งถึงร้อยก็เราจะพบกับความจริงอีกสามประการครับเกี่ยวข้องกับพระเจ้าจากคำถวายพระพรนี้ น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำเราอธิษฐานนะครับให้ได้รับการบำรุงเลี้ยงจากพระเจ้าอย่างภหัศจรรย์และชั่วนิรันดร์ข้าแต่พระบิดาเราขออธิษฐานอย่างนี้ในใจของเราขอทรงไถ่เราออกจากสิ่งชั่วร้ายขอทรงไถ่เราออกจากโทษของความบาปการครอบงำของมันและความผิด ขอทรงไถ่ความคิดของเราให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสขอทรงไถ่การพินิจพิจารณาของเราให้ออกจากการหลงผิดขอทรงไถ่จินตนาการของเราให้ออกจากความล่อลวงขอทรงไถ่สัญชาตญาณของเราให้ออกจากกระแสแห่งความผิดบาปขอทรงไถ่ความเสน่หาของเราออกจากโลกขอทรงไถ่เราออกจากความอ่อนแอเพื่อเราจะได้เปี่ยมล้นด้วยพระกําลังของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการหลายสถานนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระไตยของพระองค์ขอโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพรองทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์ขอทรงช่วยเราให้สามารถอภัยโทษให้กับคนอื่นเพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าพระบิดาและขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่ว่า พรงจะไม่ทรงนำเราเข้าไปในสถานการณ์ใดที่เกินกำลังของเราขอทรงช่วยเราให้ได้รับพระสัญญาอันเกินความคาดหมายแห่งคำอธิษฐานนี้และขอทรงช่วยให้เราสามารถอธิษฐานตามอย่างที่เราสมควรจะอธิษฐานได้เพื่อเกียรติของพระองค์เหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิธิาเมนพี่น้องครับ นี่คือคำอธิษฐานที่จอห์นแบ็อาเธอร์จูเนียได้เขียนไว้ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งนะครับถ้าแต่พระบิดาเราขออธิษฐานอย่างนี้ในใจของเราขอทรงไถ่เราออกจากสิ่งชั่วร้ายขอทรงไถ่เราจากโทษของบาปการครอบงำของมันและความผิดขอทรงไถ่ความคิดของเราให้หลุดพ้นจากความเป็นคาส ขอทรงไถยการพินิจพิจารณาของเราให้ออกจากการหลงผิดขอทรงไทยจินตนาการของเราให้ออกจากความลออวงขอทรงไถ่สัญชาตญาณของเราให้ออกจากกระแสแห่งความผิดบาปขอทรงไถยความสเสน่หาของเราออกจากใบโลกขอทรงไถ่เราออกจากความอ่อนแอเพื่อเราจะได้เปี่ยมล้นไปด้วยพระกำลังของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานนี้ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระไตรของพระองค์ขอทรงสดประทานอาหารประจาวันแก่เราในการวันนี้ขอทรงช่วยเราสามารถอภัยโทษให้กับคนอื่นและเพื่อเราจะรับการอภัยโทษจากพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่ว่า ทรงจะไม่ทรงนําเราเข้าไปในชัตนกรณมใดที่เกินกำลังของเราขอทรงช่วยเราให้ได้รับพระสัญญาอันเกินความคาดหมายแห่งคำอธิษฐานนี้และขอทรงช่วยเราให้สามารถอธิษฐานตามอย่างที่เราสมควรจะอธิษฐานได้เพื่อเกียรติของพระองค์เหตุวาราชนาตฤทธเดชและพระศิริเป็นของพระงสืบสืบไปเป็นนิตอเมน